มาสืบตังตลอ่ามาจากทางใจแต่จิตญาณของตัวเด็กผู้สามากันเท่าไรมันนานแจกคนมาทุกทายจะคิด่าต่างผ่านต่างคนอยู่นี้เขาช่วยรู้จักเลยแนะสอนนี่สี่แนะสอนทุกอย่างเราขอช่วปฏิบัติเป็นไปภายในจิตใจจะรู้จะใสใจ ถึงใดต้องใส่ต่อในโอกาสใส่ถามอย่างนั้นต้อไปมีการประชุมกันบ่อยนะแจกคนมามีเวลาพักผ่อนเล็กน้อยอธรรมะูกันฟังตามมีตามเกิดเปนพระเนอยู่ไมว่าก่รวมกันฟังไปอีกอยูธรรมะ ยังไงดูเห็นเต็มใจในใจของเราบางคนมีอะไรที่จะเสียหายการทำธรรมะการทำธรรมะก็คือการปฏิบัติใจของตัวรู้ดีชั่วผิดางๆธรรมะโดส่วนใหญ่สมัยปัจจุบันคนคนใจธรรมะมีน้อยแต่ก่อจะมีมากเงื่อนจากผู้หลักผู้ใหญ่ เป็นครูเป็นอาจารย์หรือตลอดถึงพ่อแม่แต่เคยมีโอกาสเวลาปฏิบัติธรรมะก็เลยถือว่าคนเขาวัดเขาว่าพระห้าเจ้าเป็นคนซสื่อคนล้าสมัยไปยิ่งหนุ่มสาวที่นักศึกษาสมัยปยัจจุบันยิ่งไปกันใหญ่ความจริงเรื่องของศ า, ศาสนาเรื่องธรรมะของพระพุทธเจ้าอาจะที่นี้ที่จะเลนมา ตามหลักของธรรมะกรณีอะไรที่จะลาสมัยกพระพุทธเจ้าสัจไวยะเป็นอาาัจรายโกคือไม่มีการสมัยพระพุทธเจ้า ย, ยังทรงพระสนิหรืออริานไปแล้วา ก, าก็ยังเป็นอัจรายโกยังคงเสถิงวังยังเป็นของธรรมดาอยู่ผู้ที่นิพพิจารณาธรรมะรู้เห็นเป็นจริงปฏิบัติธรรมะ ตามคำสอนของพระพุทธเจ้ารู้สึกว่าจะมีความสุขความสบายความเยียเดเบ็ยนทั่วโลกอุดเชิงหลักธรรมะไม่มีอะไรที่จะเสียหายจะทำให้คนคือคนล่าสมัยเพราะธรรมะสอนกายสอนใจสอนถูกประพพสปฏิบัติให้จะรับความสุขความสบายทั้งไม่เบียเดเบียน ศิจฉาคนอื่นทาคาสอนของพระพุทธเจ้าให้มีหนตาสามัคคีหรือหลักใหญ่ของศาสนาเรียกว่าใจศิกฉาก็คือสีลสมาธิตัญญามีเป็นหลักใหญ่ของศาสนาพุทธถ้าศึกษาให้ใจด้วยดีในเหล่องของสีลก็จะเห็นอา น, นิสงส์ว่าเหล่องของสีนที่พระพุทธเจ้า ทรงบัญญัติเป็นอัดเป็นธรรมจริงจังหาทุกท่านที่มิจารณารักษาปฏิบัติตามโลกมนุษย์ก็จะเป็นสุขอย่างเด่นชัดเพราะปฏิบัติตามสีนของพระพุทธเจ้าไม่ต้องปฏิบัติถึงสีนของชระของเน ของอุโบสถยังศี้นผืนพืนคือสิอนห้าที่ทัวลาเป็นเรียนจำเป็นเป็นศินโทษถ้าผัวผู้ปฏิบัติผัพผู้ปฏิบัติคนนั้นจะคนโทษห้าประการแต่ตและข้อที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้อย่างตานาจิบัต ไม่ให้ฆ่าสัตวีชีวิตมาคิดดูเรื่องเราเรื่องเขาไม่ว่าสัตว์ตัวใดน้อยหรือใหญ่อยู่น้ำหรืออยู่บกอยู่อากาศต่างตัวก็รักชีวิตของเขาด้วยกันทาไมเบียดเบียนกันไม่ฆ่ากันโลกอันนี้จะเป็นอย่างไร ไม่ว่าจะสัตว์เล็กสัตว์น้อยมนุษย์เราสหหากไม่มีการฆ่าการตีกันใปสถานที่ใดจะมีความสุขไหมอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆที่หามาไว้เสียเงินเสียทองของรัฐไม่ว่าประเทศใดหมดไปกี่ล้านไม่ทราบทั้งซื้ออาวุธมารักษาทั้งตีจ้างคนผู้ที่รักษาอีก ทีหนึ่งหนึ่งนับจํานวนไม่ถ้วนเงินทองที่เสียหายไปจากการรักษาประเทศชาติเพราะการฆ่ากันตีกันแย่งกันเียง ก, กันต่างๆทหารต่า ง, า ง, างคนต่างมีศีลไม่ประพฤติชั่วประพฤติเสียไม่มีการฆ่าการตีกันอย่างนั้น โรคเราก็มีความสุขความสบายคิดเขียนตัวเรารักชีวิตของเราอย่างไรคนอื่นสัตว์อื่นเขาก็มีความรักชีวิตของเขาอย่างนั้นเมื่อคนคิดได้อย่างนี้มีความเมตตาปานีต่อกันต่อสัตว์คนนั้นจะเป็นคนลาสมัยหรือหากจะเป็นคนทันสมัยจิ่จนาดูให้ดีอย่านิยคติทางใจ หากเขาเหยียดเยียนเราเขาฆ่าเราเกลียนเราต่างๆเรามีความ <c oughs> ชอบใจไหมเขาทำอย่างนั้นทุกท่านก็จะต้องตอบว่าไม่พอใจไม่ดีใจไม่เต็มใจพอเราอยู่เฉยๆเขามาฆ่ามาเกี่ยนมาต่อยมาตีมาเป็นอย่างนี้คนอื่นสัดอื่นเมื่อเราไปทำจะเป็นอย่างไร หมดไข่คจี๊ยบที่นี่เขาเจอนาเจียงจังแล้วก็ไม่มีใครเขาชอบเมื่อไม่ชอบไปทําเข้าไปข่าเขาเข้าไปตีเขาเขา้าเป็นอย่างไรเป็นคนทําสมัยหรือคนล้าสมัยไปแต่ฐานที่ใดมีแต่ข่าแต่จีทั้งสี่นี้เขาไม่มีทํามิดอะไรเป็นใครเข้าก่อ ต่อยก็ตีเรื่อยไปคนแบบนั้นหากมีมากก็ดีมีน้อยก็ดีอยู่ในสถานที่นี้ก็ดีหากคิดแบบนั้นเป็นการเป็นผีเป็นมารเป็นยักษ์ขึ้เนเกิดข้าฟันการแทงกันต่างๆโลกจะมีความสุขความสบายสงบไหมแล้วก็พอคิดได้ว่าโลกนี้ไม่มีความสงบไม่มีความสุข เพราะมีตารเบียดเบียนกันข่ากันมีสีนข้อส้นผี้พระพุทธเจ้าสอนให้รักษาให้พิจารณาเปลี่อนตัวของตัวชอบรักชีวิตของตัวอย่างไรตัดอื่นคนอื่นก็ชอบก่อรักชีวิตของตัวอย่างนั้นเมื่อเราพิจารณาตัวของเราได้อย่างจริงจังก็เห็นจิตใจของตัดอื่นคนอื่น รักษาได้สะดวกสบายข้อที่สองขีทันว่าอธินาทานมีการขโมยของคนอื่นทีเขาไม่อนุ ญ, ญาตเขาไม่ให้ตัวพวของเราหาเขามาล่วงเกินขโมยตนที่อย่างนั้นมีความพอใจเต็มใจไม้มขอนี้เสมือนกันตอบได้ทั่วไป เราไม่พอใจไม่เต็มใจเมื่อเป็นอย่างนั้นจึงมีกฎหมายห้ามตามเอาไว้เพราะไปจากผีดเรื่องกฎหมายเป็นท่องอย่างแนะสอนธรรมดาบอกไม่ได้มันเชื่อฟังมังนจะต้องมีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจับกุมถ้า ท, ทําผิดไปมีกฎหมายผิดกฎหมายคนที่ขโมยคน คนคนขี่คนสุขที่งยู่งราวต่างๆเป็นคนทันสมัยด้วยคนคื้อคนลาสมัยมีอยู่ในสถานที่ใดบ้านเมืองสงบสุขหรือหาเดือดร้อนมีก็ควรที่นที่เจราญนาถาเจเมาโอวะธรรมะธําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นของลาสมัยตัวของเขาเองชอบใจไหมมีคนไปข่าเขาไปขโมยของเขา เขาคงไม่คิดเหตุที่ไม่คิดนั่นเองถึงกล่าวสูว่าศาสนาคือล้าสมัยอ่าเขาคิดทีนี้พิจารณาด้วยจิตใจเป็นธรรมแล้วเพราะไม่กล้ากล่าวสูดูหมิ่นคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเป็นของใหม่ของการสมัยของดีของดีงดโลกมีศีลมีสุขาโลกขาดศีลจะขาดความสุข ข้เจะต้องระลึกนึกได้ข้อสี่สามต่อไปการเมือชนิดขาจา์ก็ทำนองเดียวกันไม่ใช่ฟ้องเล่นไม่ใช่ฟ้องหยิบของดีขอบัวขัวเมียที่จะแตกสามัคคีกันละบ่ แ, วบแหว่งกันทำอะไรไม่ตั้งมัน่นเกิดจะไม่ไว้วางใจกัน ไปสถานที่ใดเป็นอย่างนั้นไปสถานที่ใดเป็นอย่างนี้ไม่เล่าฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิง้าความคิดนอกจิดนอกใจอย่างนั้นจิตใจของพวกเราท่านที่เป็นคู่คล้องท้องกันเป็นอย่างไรเชื่อมั่นว่าไม่มีใจเป็นสุขครอบครัวนั้นจะเป็นทุกตลอดเวลาถึงแม้ว่าอาหารการบริโภคจะมีมากมายขนาดไหนพรบริโภคไม่ลง เพราะเหตุใดเพราะใจเดือดร้อนใจเศร้าหมองใจขุ่นมัวใจโกรธแค้นผู้หญิงก็เคยฆ่าผู้ชายในหน้าหนังซีิมพ์ผู้ชายก็เคยฆ่าผู้หญิงนี่หมายถึงคนที่ประพฤตินอกลูกนอกทางของธรรมยิไนไยของศีลถึงพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้เส็นไปในธรรมนองที่ไม่มีความสุข เพราะหากรักษาสีนตัวที่สามครอบครัวนั้นจะมีความสุขจะไปกีวันปีคืนก็ไวเนื้อเชื่อใจไม่มีอะไรที่จะเสียหายเลยมีความสุขความสบายไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงไว้เนื้อเชื่อใจกันมีตัดมีจริงต่อกันสีนข้อนี้ก็เป็นตัวสำคัญอันหนึ่งซึ่งจะทาให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข ทำให้ครอบครัวสบายเจริญในการทำมาหากินต่างๆมีศีลซึ่งของมนุษย์ของช า, าวว่าข้อที่สี่มุสาวาตคือการโกหกพกลมไม่จริงก็ว่าจริงไม่ดีก็ว่าดีไม่เห็นก็ว่าเห็นไม่เช้นก็ว่าเป็น พูดไม่ตรงไปตรงมาคนแบบนั้น้ามีมากม่าจะเป็นอย่างไรของเจตสมาเที่ยวของหยิบของดีมาหลอกลวงขายให้คนที่ซื้อจากเขากดต้องถูกเขาต้มตุน๋นเสียหายเสียใจกดแค่คอยอิดขาผูกกรรมผูกเวรกันไป เพราะเขาพูดไม่ตรงไปตรงมานี่ชื่อศาสตร์สุจริตนี่ก็เป็นทางเสียหายจนกฎหมายห้ามตามเหมือนกันสุลาตัวที่ห้าก็ทำนองเดียวกันคนธรรมดาก็บา้าอยู่แล้วไปกินนนําเมาเข้าไปมักก็ไปกันใหญ่ไล้แม่สาปวปะใครเป็นใครรุ่นพ่อรุ่นแม่ก็องซื้อว่าเกินกว่าฟุง้ง เงินทองไม่มีกว่าบอกว่ามีเป็นหลายกระสอบคนเมาสุราเป็นทํานองนั้นไปสถานที่ใด้กาการทะเลาะบอแหว่งวิวาสเลื่อยไปสติรักษาคุมใจไม่อยู่พูดก็ไม่ค่อยถูกเรื่องถูกราวให้มีทางเสียหายอย่างใอย่างญโตทันซึง บอกว่าเป็นทางประมาททำให้เสียสติเป็นทางที่ไม่ดีแต่ผู้ศิษเศษผู้ศิษจินเมื่อรักษาศีลทั้งห้าข้อได้อย่างพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้โลกเหล่านี้จะมีความสุขกายสบายใจสิ่งของไม่ต้องรักษาตำรวจทหารไม่ต้องมีอาวุธวิทโทปปรณ ก, กรต่างๆ ไม่ต้องมีเพราะจะได้หาใช้สะดวกสบายทำมาหาริมมีสิ่งมีของก็ไม่เสียหายไม่มีขโมยไม่มีอะไรป้องกันก็ไม่มีใครมาฆ่าอยู่สถานที่ใดก็สะดวกกายสบายใจทางนั้นเศรษฐกิจของชาตจะเป็นอย่างไ ร, ราะต่างชาติต่างคนต่างทา มาหาจินโดยสุดกระดิรรมกลางคืนก่อนสนุกหลับสนุกนอนเต็มตากลางวันมาก็ประกอบการงานได้สะดวกสบายนี่ในเป็นอย่างนั้นกลางวันไปทำงานกลางคืนเฝ้าของรักษาขวงถึงขนาดนั้นก็ยังมาขโมยเอามาต้นเอาเมื่อเป็นอย่างนี้มันก็ไม่มีใจอยากจะ สะสมต่างการงานทางโลกเพราะได้มาก็กเขาจะมาขามาแย่งมายื้อมาแย่งสิ่งของอันนั้นไปนี่ทางเสียหายสิ่งทุกขวอที่อธิบายมาถ้าหากพิจารณาด้วยใจเป็นธรรมจึงเชื่อว่าเป็นของดีไม่มีอะไรที่ผิด ไม่ว่าสมัยพุท ธ, ธากาลหรือสมัยปัจจุบันยังทันการทันสมัยยังใหม่ยังดีหากทุกคนรักษาตั้งหน้าปฏิบัติจะมีความสุขทั่วโลกนอกจากนั้นสมาธิศีล ส, สมาธิปัญญาใยศิษาสีพระพุทธเจ้าเก่าสมาธิเจอความหนักแน่นของใจ ตาใจให้หนักแน่นแต่เป็นคนใจเบาทําอะไรโดยทาจงใจทําจริงในที่ ง, งานทําอะไรสำเร็จตามความมุ่งหวังของตัวพอเอาจริงเอาจังคนอย่างนี้จะอยู่ทางโลกก็มีอยากมีจริงมาบวชในศาสนา ก็ตั้งหน้าประเพื่อปฏิบัติอาจธรรมรู้เห็นเป็นขึ้นในทางธรรมอะพอที่จะมีสมบัติภายในข้องใจได้สะดวกสบายแล้วคนที่ไม่มีสมาธิไม่มีหลักฐานแกนสารจิตใจไม่ตั้งมั่นทำอะไรก็จับจดไม่เอาจริงเอาจังทำนิดๆหน่อยๆ ย, ยากได้ผลมากมาก ของอยากนิดหน่อยกว่างทิ่งเสียเมื่อเป็นเส็นนี้คือคนไม่มีสมาธิทำอะไรไม่ตั้งใจทำไม่มีใจหนักแน่นไม่มีแกนสารของใจเหมือนต้นไม้ที่ไม่มีแก่นถูกลมพายุนิดนิดหน่อยหอยก็ช่อยต่จะลม้มจะโคตรเพราะไม่มีรากไม่มีแกน คนแบบนั้นเป็นคนทันสมัยหรือคนล้าสมัยให้พิจารณาดูด้วยใจเป็นธรรมหากเราพิจารณาด้วยใจเป็นธรรมแล้วจะเชื่อว่าคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นของที่ทันสมัยเป็นของดีมีค่าสูงไม่ใช่ของเล่นไม่นควรจะมากล่าวตูดูมิน่นว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าคือ ล่าสมัยคนจิตใจเบาไม่เอาทานเป็นคนหยิบคนดีหรือไม่มีตาหมั่นคงของใจเขาพูดอะไร็ควคอยแต่ จ, จะโกรธม่ชอบใจก็วหยิงตามเขาไปเมือ่อคอยใจก็โดดหนีทำงานอะไรยากนิดยากหน่อยก็ไม่ได้คนอย่างนั้น คนขาดสมาธิในมีจิตใจหนักแน่มีมากเท่าไรก็จะทําให้โลกของเราเดือดร้อนเท่านั้นในใจคนดีในใจคนมีความภาคความเพียรมีมานะอดทนพระพุทธเจ้าจึงสอนให้มีสมาธิมีสมาธิของโลกของการงานสมาธิภายในเรื่องของ นักบวชก็เป็นอีกอย่างเหมือนกันมีความตั้งมั่นมีความเอาจริงเอาจังแล้วส่วนที่บ่าทานิกะอุปจาระอัปปนาน้นหมายถึงจิตที่มีสมาธิ ร, รวมรวมหมายถึงทำงานภายในคือมีสติรักษาใจของตัว ไม่ปล่อยไปตามสัญญาอารมณ์ภายนอกมุ่งมั่นจะทำให้จิตของเราเป็นอย่างนั้นถ้าไม่เป็นไม่เห็นไม่รู้จะพยายามอยู่โดยไม่ลดละไม่ข้อถอยพยายามอย่างนั้นจิตของท่านผู้ที่มีมานะมีความเปียนตั้งหน้าปฏิบัตริรักษาด้วยสติด้วยปัญญาจริงจังจิตจะรวมลงได้ จะมีความสุขความสบายนี่คือผู้ปฏิบัติทำภายในมีสมาธิของใจมีสมาธิหนักแน่นแล้วมันก็สบายมีความสุขเพราะเรื่องของสมาธิคือความสงบของใจความรวมของใจเป็นความสุขอันใหญ่หลวงประเสริฐพิเศษผู้เห็นผู้เป็นจะรู้จะเข้าใจ ภายในตัวฉะนั้นสมาธิก็ดีก็เป็นของที่ทันสมัยอยู่ทุกระยะทุกเวลายิ่งปัญญาก็ยิ่งเด่นขึ้นปัญญาคือความรอบรู้ทางโลกหากไว้มีความรอบรู้อะไรทำไปด้วยความเห่อเลยทำไปด้วยความไม่รอบขอบทำไปด้วยความขัดเข้า คนนั้นทำงานอะไรจะค้าขายก่ขาดทุนศูนย์กำไรจะทำอะไรก็ไม่สำเร็จเขาไม่ชอบไม่นิยมไม่ยินดีตัวเองก่าตำหนิพอทำผิดภาดต่างๆนี่คือคนขาดปัญญาปัญญาภายในก็หมายถึงการที่นิพิจาณาสังขาร ร่างกายของตัวในทถั่วถึงรูเรื่องของสร้างฐานไม่ว่าสร้างขานที่เป็นวัตถุคือร่างกายไม่ว่าสร้างฐานที่เป็นนามธรรม ท, ที่ปรุงขึ้นจากใจรูถั่วถึงตลอดทุกระยะทุกเวลาในปล่อยจิตจิตนึกไปในทางเสีย อหางหายรักษาอยู่ทุกระยะทุกเวลาส่วนใดที่เป็นคิดไทยต่อจิตใจกำจัดปัดเตาออกไปไม่ให้มาเกี่ยวข้องในจิตใจของตัวไม่ให้ใจิตใจทั่วนในจิตใจเสียจิตสงบจิตเยือกเย็นจิตรู้เห็นสิ่งต่างๆด้วยปัญญาตามความเป็นจริงเป็นคนดี เป็นคนวิเศษจนไม่มีที่เหลยอที่จะเกิดขึ้นความเศาหมองค้องใจทำลายไปโดยสติโดยปัญญาแล้วใจจะสว่างสวัยใจจะสงบเยือกเย็นมีหมายถึงทำภายในหมายถึงปฏิบัติใจในดานใจสิกขาหากทางโลกผมมีความดีวิเศษเหมือนกันคนที่มี ปัญญาไปสถานที่ดใดส่คิดที่นี้พิจรารณาอะไรที่จะเป็นผลประโยชน์แก่ตัวคอบตัวสแสวงหาคนนั้นจะไปทาหน้าที่การงานอะไรจะเป็นข้าราชการตัวมีผู้ใหญ่รักใครผู้น้อยเชิดชูบูชาไม่มีทางเสียหายหากคนมีปัญญา เป็นทางดีพิเศษทางนั้นไม่ว่าอยู่ทางศาสนาหรืออยู่ทางโลกเมื่อเป็นเช่นนี้ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เขาเก่าวสูดูหมิน่นกลาบคือล่าสมัยเป็นจริงหรือไม่เชื่อว่าไม่จริงถากทีนี้ที่จารณนาเพราะธรรมะไม่ว่าสีนสมาธิปัญญาเป็นของดีมีคุณค่า หากใครรักษาได้คนนั้นจะปลอดภัยมีความสุขกายสุขใจตามข้อปฏิบัติของตัวคิดดูผู้ที่มีศีลมีธรรมประจําใจเขาสามารถอยู่ได้ไปได้สะดวกสบายไม่ละอายไม่กลัวเพราะความชั่วความผิดของเขาไม่มีส่วนคนที่ไปประพฤติผิดศีล ทำคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่เต้นอย่างนั้นคนลักคนขโมยคนต้นคนขี้ต่างๆไปในที่มืด อ, อยู่ที่สว่างไม่ได้อยู่ที่แจ้งไม่ได้เพราะกลัวขโมยเลยมากต่อไปในกลางคืนคอยเอาเวลาเขาหลับขเขาเผออถูกขโมยไม่กล้าซึ่งหน้า ซึ่งหน้าก็แต่ตองเขามีพวกน้อยกว่าหรือไม่มีอาวุธสู่ตัวไม่ได้จึงกล้าไปปน่นมาอย่างนั้นไม่กล้าในสถานที่ใหญ่โตอย่างในทางอย่างนี้เขาไม่สามารถเพราะกลัวคนอยู่ในนั้นจำนวนมากอาวุธเขามีรักษาไม่กล้าป้นที่ ก็ปนจ่ตามบ้านนอกบ้านนาหรือระยะทีห่าจากนูตาเจแกนักจีมีคนชั่วคนม่มีศีลมีธรรมเป็นธรรมนองนั้นนอกจากนั้นเขาเองก็เป็นทุกในเวลาที่ไปแสวงหาอย่างนั้นเวลาได้มาก็เป็นทุกในใจเพราะตัวใครอันตรายเขาจะทราบจะรู้ว่าตัวไปทําชั่วทําเสียอย่างนั้น จะตามมาห่าทีเลืจับกลุมต่างๆคนที่สุดเขาทำไม่หยุดไม่ขอยในทางชั่วก็มีวันใดวันหนึ่งทามขั่วจะตอบแทนตัวของเขาแทนที่จะได้อยู่ดีกินดีสะดวกสบายอย่างคนหากินทางสุดสิตเป็นไปไม่ได้ถ้าเขาจับได้จะต้องรับทุกรับโทษตามกฎหมาย เราเคยเห็นบ้านของเขามีก็มีได้อยู่ได้นอนจับไปนอนในตรางแต่สิ่งของของเขาก็เป็นโทษเดีวยวกันทั้งนั้นนะจะเป็นของเอามาจากตึกบ้านร้านตลาดอย่างพวกเรากเหมือนกันหากไปเป็นตกเป็นของนักโทษหมวกไทยหมวกนักโทษเสื้อไทยเสื้อนักโทษเป็นโทดไปหมดตลอดถึงบ้าน่องของเขา ลูกเต่าเลี้ยหลานเขาถูกเต่าตูดูหมิ่มนเสียหายไปหมดหมูหมาเป็ดไก่อยู่ในบ้านในช่องของเขาก็เหมือนกันบ้านใครในบ้านนักโทษบ้านใครในบ้า น, น, า น, น, านขาโมยเขว่ากันไปขโมยยังเราไม่ดีคนเดียวเลยเสียหายไปทั้งบ้านทั้งลูก ท, ท, ทั้ทงเมียทั้งเป็ดทั้งไก่เข่าของทุกสิ่งทุกอย่างไปมีความสั่วความเสียมันแผ่อานาจ ติดไปไกเหมือนกันเนกืดควาพฤ้ตัวดีมีสติปัญญามีความสุจริตในศีนในธรรมคนนั้นก็สะดวกสบายได้อะไรมา ก, ก็จินยานยินยันแจมไซไเลยรัวใครจะมาจับคุมคุมตัวจะไปในตารางเข้าไปเรียกนักโทษเพราะเราไม่มีโทษทมีใครเรี่องของ ทคำคาสอนของพระพุทธเจ้าผืนพืน้นทางโลกเป็นอย่างนั้นยิ่งปฏิบัติเข้าไปภายในเท่าไรเรื่องสติปัญญาตามความสา ม, มารถของใจก่อพิจารณาได้ทั่วถึงรู้แจ้งแทงตลอดสุขของจิตของใจเป็นของสำคัญที่พวกเราท่านควรแสวงหาเพราะความสุขส่วนนี้เป็นความสุขเหนือโลก เป็นความสุขจิปลอดไทยแต่คนไม่มองเห็นความสุขของใจเพราะไม่ในปฏิบัติจึงไปหลงความสุขภายนอกงอมอย่างนั้นงอมอย่างว่าได้อันนั้นจะมีความสุขได้อันนี้จะมีความสุขสุขจริงแต่สุขมีทุกข์เกือยวผลฤทธิ์แบบยาคิดเชื่อน้าตาลภายนอกหวานแต่ภายในเป็นพิษสุขของโลกเป็นอย่างนั้น ไม่เป็นสุขที่กีรังยั่งยืนไม่เป็นสุขที่แนนอนแต่สุขของธรรมะเป็นความสุขที่ตายตัวสุขอยู่ทุกระยะทุกการทุกเวลาสุขของใจเป็นของที่มีคุณค่าอย่างนั้นจึงควรทำหาใจของตัวเป็นสุขใจเป็นสุขแล้วจะไปอยู่สถานที่ใดมีความสุขตลอดไปจะอยู่ที่ใดไม่เป็นทุข พอใจเป็นสุขจะอยู่ตามดินชินตามยญ้ามีความสุขจึงควรรักษาควรหาความสุขให้ใจถ้าใจเป็นทุกข์แล้วจะอยู่ราสาลัสวางใหญ่ตโตละหโหถานขนาดไหนที่พักก่อนหลับนอนจะดียีเตออนนุ่มขนาดไหนมันก็ไม่หลับขมันยังเผาอยู่ที่ใจใจึเป็นไปด้องความันที่พวกเรา่นควรรักษาควรประพฤติควรปฏิบัติการปฏิบัติใจ เป็นเรื่องใหญ่สำหรับพวกเราท่านจะต้องสร้างหน้าต่างปฏิบัติด้วยสติด้วยปัญญาที่นี้พิจารณาอาจทำคำสอนเของพระไดจารให้รู้เห็นตามเป็นจริงจะทอดทิ้งปล่อยทิ้งสิ่งที่จิตคลองของใจชีวิตถือมาต่ออ้ก่อนพะความสุขคองใจเราพบเรารู้เราเข้าใจสิ่งนั้นเป็นอย่างไรกอพิจารณารอบ จะพิงเสยเสยพิงวยสติพิงหนวยปัญญานี่คือผปฏิบัติรักษา